น, นี่หมอาพานักศึกษาเรียกว่าเรียแพทย์นักศึกษาปีหกปีหกนะกลับไปก็จบเลยไหมต่อไปก็เป็นแพทย์แนละ้วเป็นรักษาคนได้นะแต่รักษาคนได้ครึ่งเดียวรักษาร่างกายแต่ใจยังรักษาไม่ได้ใจก็ต้องเป็น อีกส่วนหนึ่งที่ต้องต้องการดูแลรักษาเหมือนกันแต่ใจนี้ไม่มีวิชาทางแพทย์เขาไม่มีความสามารถที่จะรักษาได้ได้ก็ในระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สำเร็จคือไม่สามารถดูแลรักษาใจได้อย่างแท้จริงคือพวกจิตแพทย์เนี่ย แพทย์เขาก็ดูเรื่องจิตใจเวลาใจเครียดใจไม่สบายใจมีความทุกข์ก็หาจิตแพทย์กันแต่ประเทศไทยนี้ก็ไม่นิยมไปหาจิตแพทย์ก็ชอบนิยมมาหาพระเพราะว่าพระก็เป็นจิตแพทย์เหมือนกันเป็นพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนานที่สอนเกี่ยวกับเรื่อง วิธีรักษาจิตใจจิตใจของเราก็มีความไม่สบายเหมือนกับร่างกายจิตใจก็ต้องมียารักษาใจยาที่รักษาใจเราเรียกว่าธรรมโอสถธรรมก็แปลว่าคาสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งคาสอน ที่เราจะเอามาใช้ในการรักษาใจของเราใจเราก็มีเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจเหมือนกับร่างกายเวลาหนูเป็นแพทย์หนูก็ศึกษาเวลาคนไข้มาหาไม่สบาย mm. ก็ต้องถามเขาว่าเป็นอะไรแล้วก็ไปนค้นหาสาเหตุที่ตรงที่เขาเป็นว่าเกิดจากอะไร คือมันต้องมีเหตุถ้าเราค้นพบเหตุเราก็หายาหาวิธีมารักษาเหตุนั้นถ้ามีวิธีรักษาอยู่แล้วมันก็สบายง่ายแต่ถ้าเป็นเหตุที่ยังไม่มีวิธีรักษา mm hmm. ก็ต้องใช้การวิจัยใช้การค้นคว้าต่อไปโรคภัยทางร่างกายนี้มันมีโรคใหม่ๆปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ เราที่เรายัางไม่สามารถค้นพบเหตุหรือค้นพบเหตุแล้วแต่ยังไม่สามารถพ้นค้นพบวิธีที่จะมารางอับเหตุที่ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นโรคมะเร็งนี้เรายัางไม่สามารถที่จะหาวิธีที่จะมารักษามันได้อย่างสมบูรณ์ แต่้แต่โลกทางจิตใจนี้พระพุทธเจ้าเป็นคนได้ศึกษามาอย่างท่องแท้จนทรงค้นพบสาเหตุของโลกของใจได้หมดทรงค้นพบว่าความไม่สบายใจของพวกเรานี้เกิดจากเหตุสามประการด้วยกันคือความอยากสามประการความอยาก แรเรียกว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกรมตันหาการมแปลว่ากามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะตันหาแปลว่าความอยากเวลาที่เราเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่เราจะรู้สึกงดเงียบลำคาญใจอยู่เฉยๆไม่ได้ เวลาเราอยากจะดื่มอะไรอยากจะรับประทานอะไรเราก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเราจะหาจากอารมณ์นั้นได้ก็ต้องทําตามความอยากพอเราได้ดื่มเครื่องดื่มที่เราอยากจะดื่มหรืออยากได้ไปดูไปฟังหรือไปรับประทาน สิ่งที่เราอยากรับประทานความไม่สบายใจนั้นก็หายไปชั่วคราวแต่ไม่ได้หายไปอย่างถาวรเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผกขึ้นมาอีกพอเกิดความอยากขึ้นมาใจเราก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ แก้ความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาที่เราอยากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมามาเสกกันแล้วพอเสกปับ๊บความสบายใจก็เกิดขึ้นมาความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากจะเสกก็หายไป ก็วความอยากได้ระงับชั่อคราวเราระงับความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่มันไม่ได้ระงับอย่างถาวรเดี๋ยวก็มีความอยากใหม่ขึ้นมาเรามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมาตลอดเวลาใช่ไตอนนี้เราก็ยังมีความอยากอยู่ยังอยากดูภาพยนตร์ยังอยากฟังเพลง ยังอยากไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่นไปแหล่งบันเทิงไปร้องราทาเพลงไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจรึงอยู่บ้านไม่ค่อยได้เวลาเราอยู่บ้านคนเดียวเราจะรู้สัญญาว่าเว่ แต่พอได้ออกไปข้างนอกได้ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงความเหงาความว้าวเวก็หายไปแต่มันหายไปเพียงชั่วคราวพอเรากลับมาอยู่บ้านเราอยู่คนเดียวอีกไม่นานก็เกิดความเหงาเกิดความว้าเวขึ้นมาอีกเราก็เลยต้องออกไปเที่ยวออกไปทำอะไรกัน นี่คือความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากในรู้เสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่สบายใจกันก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยา่อยางตอนนี้อยากเป็นแพทย์อย่างนี้ไหมถ้าไม่ได้เป็นก็เป็นไงเสียใจไมไม่สบายใจนะ พอได้เป็นก็ดีใจเดียวๆเดี๋ยวก็อยากไปเรียนเรียนต่อละอยากจะไปเรียนเฉพาะทางก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วว่าจะไปเรียนที่ไหนดีจะมีที่เขารับเราหรือเปล่านี่คือความอยากมีอยากเป็นความอยากมีอยากเป็นก็ไม่รู้จักหมด ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอเกิดได้ยินนั่นที่เขาว่าได้คือก็อยากได้เป็นศอกอย่ายอกก็ได้ได้เป็นวาเนี่ยต่อไปก็อยากไปเรื่อยๆตอนนี้อยากเป็นแพทย์เดี๋ยวได้เป็นแพทย์แล้วก็อยากจะไดะ้ไปทำงานที่โรงพยาบาลที่เราเลือกถ้าไม่ได้ไปก็ไม่สบายใจเสียใจ ถ้าต้องไปทำที่โรงพยาบาลที่เราไม่อยากไปก็ไม่สบายใจเสียใจแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปเรียนต่ออยากจะไปเรียนเฉพาะทางถ้าไปสมัครแล้วเขาไม่รับก็เสียใจีนี่คือความอยากเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องมีความเสียใจมีความไม่สบายใจ นอกจากการเรียนแล้วยังอยากจะทำงานอยากได้งานที่โรงพยาบาลดีๆบางทีเดี๋ยวก็ต้องย้ายโรงพยาบาลนี่มีโรงพยาบาลเอกชนเขาให้รายได้ดีกว่าก็อยากจะได้รายได้ก็ไปทางานที่โรงพยาบาลเอกชนกันแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้แฟน นายแพ้แล้วเดี๋ยวว่าอยากจะได้ลูกนี่คือความอยากของเราเรียกว่าภาวะปัญหาความอยากมีอยากเป็นทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขกันอยู่เป็นโสดไม่ได้อยู่เป็นแฉวไม่ได้ที่เราต้องดินน้นรนกันเพราะความอยากอยากให้มีความสุขความสบายทางร่างกาย เราเลยต้องดินโน่นกันเพื่อหาวิชาความรู้มาเป็นเครื่องมือแล้วพอเราได้สิ่งต่างๆมาก็มีความอยากอีกอันสุดท้ายขึ้นมาชนิดที่สามความอยากไม่เสียสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ใช่ไหมพอเราได้อะไรมาเราก็รักเราก็ห่วงแล้วเราก็วิตกกังวลห่วงใหญ่ ว่าสิ่งที่เราได้มานี่เราสามารถที่จะรักษาให้อยู่กับเราไปได้หรือไม่และเวลาที่เกิดการสูญเสียสิ่งที่เราได้มาเราก็เสียใจกันเองอันนี้ก็เป็นความเสียใจที่เกิดจากความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคืออยากไม่เสียสิ่งที่เราหามาได้ เราก็มาจบลงที่ร่างกายของเราเราก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้เป็นหมอก็ยังต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันใช่ไหมเป็นโรคได้เหมือนกันมะเร็งมันก็กินเราได้เหมือนกันโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆมันก็จะมาแล้วเราก็ ไม่สบายใจกับมันเพราะเราไม่อยากแก่แล้วไม่อยากเจ็บเราไม่อยากตายกันเนี่ยคือความทุกข์หรือความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากทั้งสามเนี่ ย, นยคนที่เป็นโรคจิตคนที่มีความเครียดคนที่มีความเศร้าเกิดจากความอยากเหล่า น, นี้ทั้งนั้นอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยาก ก็เลยเกิดความเสียใจถ้าเสียของที่รักมากๆไปเข้าก็ถึงกับเป็นบ้าได้เสียสติได้เชื่อไหมว่านี่เป็นเหตุที่ทำให้คนเป็นเสียสติกันทำให้คนเป็นบ้ากันเพราะสูญเสียสิ่งที่รักไปแล้วไม่สามารถที่จะเอากลับมาคืนได้ บางคนถึงกับต้องข้าตัวตายเพราะความเครียดความทุกข์ใจจากการที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปพระพุทธเจ้า ก, ก็สอนให้พวกเรามาถ้าไม่อยากจะต้องมาพบกับความทุกข์ใจในรูปแบบต่างๆก็ต้องมาเลิกความอยากทั้งสามชนิดนี้ให้ได้ ถ้าเราเลิกได้เราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่มีอะไรหรือเวลาเรามีอะไรแล้วเราสูญเสียสิ่งที่เรามีไปเราจะไม่เดือดร้อนเพราะใจของเราไม่มีความอยากเช่ร่างกายถ้าเราตัดความอยากในร่างกายนี้ได้ตัดความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ได้ไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ไม่ให้ร่างกายตายได้เวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกกับมันแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไปหาสิ่งต่างๆมาไม่ต้องวุ่นวายไปกับการ ไปทำงานทำการหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันแล้วเราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราหามาได้กันเพราะเราไม่มีอะไรจะเสียไม่มีแฟนก็ไม่ต้องมาเสียใจเวลาแฟนจากเราไปไม่มีลูกก็ไม่ต้องมาเสียใจเวลาที่ลูกจากเราไป ถ้าเราตอดความอยากได้เราก็ไม่ต้องมีอะไรเราก็อยู่ได้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตอนต้นพระพุทธเจ้าท่านก็มีทุกอย่างมีมากกว่าพวกเรามีดีกว่าพวกเราท่านเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินมีภาษาสามฤดูมีความสุขทางตาหูจมูกมือกาย มีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองมีบริษัทบริวารที่จะมาคอยรับใช้คอยอำนวยความสุขให้ตลอดเวลาแต่ท่านกลับเห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขแท้เพราะมันสร้างความกังวลใจให้กับท่านเพราะท่านเห็นว่ามันไม่แน่นอนสิ่งต่างๆที่ท่านมีอยู่อาจจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเกิดแพ้สงครามฆ่าศึกษัตรูเขาก็มายึดปราสาทสามฤดูยึดอะไรไปหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเห็นว่าไม่ใช่เป็นความสุขการที่เราได้ทำตามความอยากต่างๆทำแล้วก็ทำให้เร า, ามีความผูกพันกับสิ่งที่เราได้มา แล้วเราก็มีความกังวลความกลัวว่าที่จะว่าจะอาจจะต้องเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็ทรงเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมีมาก็มีไปได้มีได้ก็มีเสียมีเจริญก็มีเสื่อมมีเกิดก็มีดับ ร่างกายของท่านนั้นก็ไปเห็นว่าทั้งวันหนึ่งจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอตอนต้นท่านไม่เห็นท่านไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นคนเจ็บไม่เคยเห็นคนตายเพราะว่าพระราชบิดามห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังเจ้าชายสิทธัตถะเลยไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ posture, เลยไม่รู้ว่ามีคนแก่คนเจ็บคนตาย เราคิดว่าพระองค์จะเป็นคนหนุ่มมีกําลังวังชาแข็งแรงไปเรื่อยๆแต่พอวันหนึ่งพระองค์ทรงสเสด็จออกไปนอกพระราชวังจึงไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเข้าตอนต้นก็ไม่ไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนก็ถามมหาเล็กมหาดเล็กก็บอกว่าคนแก่ ที่คนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วจะต้องแก่พระองค์เองก็ต้องแก่พระองค์ทราบว่าพระองค์จะต้องเป็นคนแก่ก็เกิดความตกใจพอเจอคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกันตกใจว่าต่อไปจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องนอนโอดร้องควครคลางทรมานกับความเจ็บปวดของร่างกาย แล้วก็ตกใจที่เห็นว่าร่างกายของพระองค์จะต้องกลายเป็นคนตายไปแต่ก็โชคดีอย่างหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงเห็นนักบวชเห็นพระก็เลยถามว่าแล้วคนนี้เขาทาอะไรก็ได้ทราบว่าคนนี้เขาไปหาวิธีที่จะทําให้เขาไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็เลยมีความ มีความหวังขึ้นมาว่าออถึงแม้ว่าจะมีความแก่ความเจ็บความตายแต่ก็มีวิธีที่จะสามารถทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไดออ้วิธีที่จะไม่ทุกข์ก็อย่างที่บอกก็ต้องตัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปออต้องไปบวชกันนัก บ, บวชเขาอยู่แบบไม่มีความอยากกัน เขาอยู่เพื่อหยุดความอยากกันเขาบวชเพื่อหยุดความอยากกันเขาไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเขาไม่ไปหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองลาบยศจัรละเสรนแล้วเขาก็ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายเขาต้องปล่อยวางร่างกายวิธีที่จะทำให้หยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้อง มีการควบคุมใจมังคับใจไม่ให้อยากทำใจให้นิ่งให้เฉยถ้าใจนิ่งใจเฉยได้ใจก็จะไม่อยากได้วิธีที่จะทำใจให้นิ่งก็ต้องใช้สติใช้สติคือการละเลิกรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเช่นให้ละเลิกอยู่กับคำ พุโทโธพุโทโธถ้าเราเลกอยู่กับพุทโธพุทโธไปไม่ไปคิดถึงเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะอยากกับสิ่งต่างๆได้ถ้าเรามีพุทโธควบคุมความคิดของเราได้เราก็จะหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้แต่เป็นการหยุดความคิดหยุดความอยากชั่วคราว เช่นเวลาเราพุโทโธพุโทโธไปเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้คนนั้นคนนี้ได้พอเราไม่คิดเราก็จะไม่มีความอยากกับสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ไม่มีความอยากกับคนนั้นคนนี้ทุกครั้งที่เราอยากนี่เราต้องคิดก่อนพอเราคิดถึงขนมเราถึงอยากจะกินคิดถึงเครื่องดื่มเราถึงอยากจะไปดื่มกัน คิดถึงภา พ, พยนต์เราถึงอยากจะไปดูกันแต่ถ้าเราให้คิดอยู่แต่พุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆ เ, เราก็ไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเครื่องดื่มคิดถึงขนมคิดถึงภาพพยนต์เมื่อเราไม่คิดถึงความอยากมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาทํางานได้อันนี้คือการควบคุมความอยากแบบชั่วคราว คบคุมด้วยการหยุดความคิดบังคับให้มันคิดอยู่กับเรื่องที่ไม่เกิดความอยากเช่นคิดอยู่กับพุทโธพุทโธหรือคิดอยู่กับบทสวดมนต์บทสวดมนต์ก็จะทําให้เราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆเพราบทสวดมนต์นี้เป็นภาษาบาลีเราก็ไม่เข้าใจความหมายถึงแม้เข้าใจความหมายก็จะไม่ทําให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของ ที่จะไม่ทำให้เกิดอารมณ์ความอยากต่างๆขึ้นมาชาวพุทธเราเลยนิยมมาฝึกสติกันโดยการไหว้พระสวดมนต์อันนี้เป็นการทาแบบเริ่มต้นทำแบบเล็กน้อยเช่นวัดไหว้พระสวดมนต์การเช้าเย็นก่อนนอนหลังตื่นนอนอันนี้เป็นการเริ่มต้นฝึกสติแต่สำหรับผู้ที่ ต้องการที่จะมีสติตลอดเวลานี้เขาจะใช้คำบริกรรมพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้เขาจะพุทโธพุทโธไปคนที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องไปไปบวชไม่มีภารกิจการงานต่างๆเพราะถ้ามีภารกิจก็ต้องมาใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องภารกิจต่างๆที่ต้องทา ก็จะไม่สามารถควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาลวพอไม่ควบคุมเดี๋ยวความคิดก็จะไปคิดเรื่องอื่นแทนที่จะคิดเรื่องงานการก็ไปคิดถึงเรื่องข้าวของเงินทองคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวคิดถึงสิ่งต่างๆที่เขาขายอยู่ตามร้านต่างๆก็จะทําให้เกิดความอยากได้สิ่งต่างๆขึ้นมา งนนผู้ที่ต้องการที่จะหยุดความคิดอย่างอย่างท้าวรต้องเป็นนักบวชเท่านั้นหรือผู้ที่ไม่มีภารเกิจการงานอย่างอื่นต้องทําเช่นฆราวาสบางคนอาจจะมีฐานะการเงินการทองดีไม่ต้องทํางานมีเงินทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อยู่เฉยๆได้อยู่คนเดียวได้ก็จะสามารถ ปฏิบัติเหมือนกับนักบวชได้เพราะการจะควบคุมความคิดนี่เราต้องอยู่คนเดียวถ้าเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็คุยกันคุยกันก็ต้องใช้ความคิดพอคิดถึงขนมคิดถึงอะไรก็อยากได้ขึ้นมาเวลาคุยกันมักติตั้งวงกันละเดี๋ยวกาแฟก็มาละเดี๋ยวขนมก็มานะพระปฏิบัตินี้ครูบาอาจารย์ท่านคอยบังคับไม่ให้คอยไม่ให้ตั้งวงคุยกัน ก็คุยกันเดี๋ยวกาแฟก็มานะเดี๋ยวน้ำชาเดี๋ยวอะไรก็มากันนะ<ม>เลยให้เปิกวิเวคให้อยู่คนเดียว<ม>คนที่ต้องการที่จะเอาชนะความอยากนี่ต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>แต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะถ้าเราสามารถควบคุมความอยากได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลย<ม><ม>เราจะไม่ต้องมีอะไร เราจะอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขไม่ต้องมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองไม่ต้องมียศมีตําแหน่งไม่ต้องมีการยกย่องสรรเสริญเยินยอไม่ต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะใจที่ไม่มีความอยากนี่มันมันจะสงบแล้วมันจะให้ความสุขกับเราความสุขที่ดีกว่าความสุข ทั้งหลายที่เราไปหากันเพราะมันเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดแต่ความสุขที่เราได้จากการไปได้สิ่งต่างๆมาเป็นความสุขชั่วคราวพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องพัดภาคจากความสุขเหล่านั้นไปเวลาเขาจากเราไปหรือเวลาที่เราจากเขาไปความสุขที่เราได้จากเขาก็จะหมดไป ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็จะตามมาแต่ถ้าเราไม่หาความสุขจากเขาเราอยู่คนเดียวได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเขาจะอยู่เขาจะไปเขาจะมีหรือไม่มีเราไม่เดือดร้อนนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับคือเราจะสามารถอยู่เนือความทุกข์ได้เราจะไม่ทุกข์กับการ การมาการไปของสิ่งต่างๆเงินทองมาเราก็ไม่ดีใจเงินทองไปเราก็ไม่เสียใจคนนั้นคนนี้มาเราก็ไม่ดีใจเวลาเข้าไปเราก็ไม่เสียใจร่างกายเราจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ไม่เสียใจร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เสียใจร่างกายจะอยู่หรือร่างกายจะตายเราก็ไม่เสียใจ คนที่มีไม่มีความอยากเขาจะไม่ทุกข์กับร่างกายเขาไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันพวกเรานี่ยังต้องใช้ร่างกายหาความสุขกันเพราะเรายัางต้องดูต้องฟังต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายเราจึงต้องรักษาร่างกายให้ดีเพื่อที่เราจะได้ใช้มันพาเราไปหาความสุขต่างๆกัน แต่พอเวลาที่ร่างกายไม่สบายเลยพิกลพิการไปเราไม่สามารถใช้ร่างกายได้เราก็เดือดร้อนกนเราก็ทุกข์กันคนที่เป็นคนไข้นี้มักจะซึมเศร้าเวลาที่เขาไม่สามารถใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆได้เพราะว่าเขาไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย พอร่างกายไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เขาก็เกิดอาการทุกข์ทรมานใจเกิดความความซึมเศร้าเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาบางทีถึงกับต้องฆ่าตัวตายเพราะว่ามันทรมานใจที่ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายไนดะ้อีกต่อไปแต่คนที่สามารถที่จะ หยุดความอยากต่างๆได้นี้เขาจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเพราะเขาไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเขาใช้สติใช้ธรรมะเนี่ยธรรมโอสถมากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเขาให้หมดไปเราเหตุของความทุกข์ใจคือความอยากไม่มีความทุกข์ใจก็ไม่มี พาไม่มีความทุกข์ใจความสุขใจก็ปรากฏขึ้นมานี่เป็นธรรมชาติของใจใจมีอยู่สองอย่างถ้าไม่สุขก็ทุกข์ถ้าทุกข์มันก็ไม่สุขถ้าสุขมันก็จะไม่ทุกข์ใจทุกข์เพราะความอยากใจสุขเพราะไม่มีความอยากเพราะความทุกข์หายไปความสุขก็โผล่ขึ้นมาความทุกข์จะหายไปได้ก็ต้องหยุดความอยาก เครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากก็คือธรรมโอสดยาที่จะมากําจัดต้นเหตุของโรคของใจโรคของความทุกข์ใจความเครียดความซึ้งเศร้าวความไม่สบายใจต่างๆเกิดจากความอยากธรรมโอสถที่พวกเราต้องเอามาใช้ก็คือสติเนี่ยสมาธิปัญญานี่ยด้วยการสนับสนุนของศีลนิทาน เราต้องทำทานเราต้องรักษาศีลแล้วเราถึงจะสามารถมาเจริญสติมาอยู่คนเดียวได้ทำทานเพื่อให้เราใช้เงินทองไปซื้อความสุขผ่านทางร่างกายกันตอนนี้เราใช้เงินทองเป็นเครื่องมือไปซื้อความสุขผ่านทางร่างกายถ้าเราเงินทองขาดเมื่อไหร่เราก็จะเดือดร้อนเมื่อ น, นั้น อย่าเราอย่าไปใช้ใช้ใช้เงินทองซื้อความสุขดีกว่าถ้าจะเอาเงินทองไปซื้อความสุขผ่านทางร่างกายก็เอาไปทําบุญทําทานเพราะจะทําให้เราหยุดความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขผ่านทางร่างกายได้เช่นเราอยากจะไปเที่ยวเรา เ, าเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปไปทำบุญทำบุญนี้ทําได้ทุกแห่งไม่เฉพาะที่วัดวาทําทกับคนอื่น ทำกับคนที่เราอยากจะทำทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ให้พ่อให้แม่ก็ได้ให้โรงเรียนให้โรงพยาบาลให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากให้เพื่อนให้ฝูงได้ทั้งนั้นตราบใดที่เราอย่าเอาเงินทองมาใช้ตามความอยากของเราเท่านั้นเองเราต้องการที่จะหยุดการใช้เงินทองเพื่อให้เรามีความสุขเราให้เงินทองคนอื่นไปเรากลับได้ความสุขมากกว่า การที่เราไปใช้เงินทองตามความอยากเพราะมันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์มันเป็นความสุขที่ไม่ทําให้เร า, เาติดเหมือนยาเสพติดถ้าเราใช้เงินตามความอยากมันจะเป็นเหมือนกับซื้อยาเสพติดมาเสพพอซื้อมาแล้วก็ติดอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆเราไปซื้อกระเป๋าดูเลยเดี๋ยวก็ซื้ออยู่เรื่อยได้ใบหนึ่งก็ไม่พอเห็นีใบใหม่ก็อยากจะได้รองเท้า เสื้อผ้าเนี่ยมีพันธมต้องเยอะแยะร่างกายก็มีร่างเดียวถ้าใช้เหตุผลจริงๆเราใส่กันสักกี่ชุดก็พอพระพุทธเจ้าให้พระใส่ชุดเดียวก็พอผ้าหนึ่งชุดผ้าต่หนึ่งชุดนี้พอแล้วสำหรับเครื่องนุ่งห่มสำหรับร่างกายมีมากก็เหนื่อยต้องหาเงินมาซื้อแล้วก็ต้องหาที่เก็บรักษา เราก็ต้องคอยดูแลต้องซักต้องอะไรและบางทีก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้ในที่สุดก็ต้องเอาเอาไปแจกคนอื่นเพราะไม่มีที่เก็บอยากจะซื้อของใหม่มาอีกก็ทำให้เราต้องมาเหนื่อยกับการหาเงินใช้เ <c ười> งินแบบนี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมามาหยุดความอยากกันมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกัน ถ้าเราไม่มาวัดไมฟ่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้จักวิธีรักษาโรคจิตโรคใจของเราได้เราก็จะหลงไปกับการหาความสุขทางตทางตามความอยากต่างๆแล้วพอเราไปสะดุดเข้าไปเจออุปสรรคที่ไม่สามารถหาความสุขได้เวลานั้นก็ไม่มีใครช่วยเราได้แพทย์ก็ให้ช่วยได้ก็เพียงแต่ให้ยานอนหลับ ยากล่องประสาทเท้านั้นเองกล่อมประสาทพอมันนอนหลับมันง่วงมันก็เลยไม่มีแรงที่จะไปคิดถึงความอยากต่างๆแต่พอตื่นขึ้นมาปั๊บมีแรงมันก็จะไปคิดถึงความอยากต่างๆแล้วพอไม่ได้ทําตามความอยากมันก็ซึมเศร้าขึ้นมาเย <c oughs> แพทย์ก็ช่วยได้แค่นี้ยหายามากล่อมประสาทให้ดังนั้น พวกเรารู้แล้วว่าพวกเรามีโลกใจกันและมันจะกำเริบขึ้นไปตามลำดับเพราะชีวิตของเรานี้จะก้าวไปสู่บ้านบ้านปลายของชีวิตที่จะจะทำให้เราไม่สามารถที่จะหาความสุขแบบที่เราหากันอยู่ในขณะนี้ได้แล้วเราควรที่จะมาศึกษา <c oughs> วิธีบาบัดโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจกัน ก็จะมีเนี่ยมสี่ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็เราอย่าไปใช้เงินตามความอยากห้างเงินมาเพื่อซื้อของที่จำเป็นของจำเป็นก็คือปัจจัยสี่สำหรับเลี้ยงดูร่างกายถ้าให้ร่างกายไม่มีปัจจัยสี่ร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยตายได้แต่ถ้ามีมากเกินไปก็เสียเวลาเปล่าๆไม่จำเป็น หาเท่าที่จำเป็นเพื่อที่เราจะได้มีเวลามามารักษาใจของเราเพราะการรักษาใจนี้เราจะต้องใช้เวลามากต้องไปอยู่คนเดียวต้องไปอยู่ที่สงบแล้วก็ห้ามใจไม่ให้ไปทำกิจกรรมทางร่างกายให้ถือศีลแปดกันไม่ให้ไปนอนกับแฟน ไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้นอนบุญฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆที่จะทำให้นอนมากเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีเวลามาปฏิบัติกันไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมความงามต่างๆอยู่คนเดียวไม่รู้จะไปเสริมความงามให้ใครดูคนที่ปฏิบัติธรรมเขาก็ แต่งกายแบบสบายสบายใส่ชุดขาวชุดหนึ่งก็อยู่ได้นะผมเผาก็ไม่ต้องทำไม่สะอให้มันสะอาดก็พอหรือถ้ามันเป็นปัญหาก็ตัดทิ้งไปเลยจะได้ไม่ต้องมีภาระจะได้มีเวลามาปฏิบัติได้เต็มที่ว่ามีเวลามากเท่าไหร่ก็จะทำให้สามารถที่จะบรรลุผลได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น ปฏิบัติได้มากพระพุทธเจ้ารับประกันเลยว่าเจ็ดวันก็รักษาโรคใจได้ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ได้กําจัดความอยากต่างๆที่มีในใจได้หมดเลยกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่สามารถกําจับได้พระพุทธเจ้ากําจัดมาแล้วปัสสาวะโทั้งหลายก็กําจับมาแล้ว ท่านเลยอยู่แบบสบายอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสท่านจะนิยมอยู่ตามป่าตามเขากันอยู่กันตามลําพังเพราะไม่วุ่นวายถ้าอยู่ในบ้านในเมืองเรื่องมันมากคนมากมากเรื่องมากปัญหาวุ่นวายแล้วท่านก็จะไม่เดือดร้อนกับ ความอดอยากขาดแคลนอดทางร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรนี้จะไม่เป็นปัญหาเพราะท่านไม่ต้องพึ่งร่างกายแนละ้วไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจท่านไม่ทุกข์กับมันความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์เกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ถ้าเรากำจัดความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายได้เราจะไม่ทุกข์แก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ยากที่ไม่ได้เป็นส่วนของร่างกายเพียงแต่ว่ามาเป็นแฝดสยามมาเกาะติดกันใจนี่ติดกับร่างกายด้วยกระแสของวิญญาณทั้งห้า เกิวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายมาติดกันท่านั้นเองมาเชื่อมต่อกันเพื่อจะได้รับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อใจจะได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสแต่พอใจไม่มีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสการเชื่อมต่อกับร่างกายก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปร่างกายจะไม่สามารถส่งรูปเสียงกลิ่นรสไปให้ใจเสบก็ไม่เดือดร้อน ตาจะบอดก็ไม่เดือดร้อนหูจะหนวกก็ไม่เดือดร้อ น, จ น, กกออนใจไม่มีความไม่มีความต้องการที่จะเสพ ร, รูปเสียงกินรสเพราะใจมีความสุขโดยอยู่เฉยๆอยู่ตามลาพังได้อันนี้คือการรักษาโรคใจที่ไม่มีที่ไหนจะรักษาได้นอกจากที่พระพุทธศาสนาเท่านั้น ใครที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนานี้ถือว่าโชคดีเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะรักษาโรคใจให้หายขาดได้เหมือนกับพวกเราถ้าโชคดีไปเจอโรงพยาบาลที่เขารักษาโรคมะเร็งได้นี่เราจะดีใจไหมเป็นมะเร็งชนิดไหนนี่เขาบอกสบายรักษาได้แบบไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเลยอย่างนี้ เราก็จะดีออกดีใจกันแต่ยังไม่มีโรงพยาบาลแบบนั้นอยู่มีโรคมะ เ, เร็งแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะต้องนับถอยหลังกันทั้งนั้นฉันใดคนที่เป็นโรคใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี่จะไม่มีใครที่จะมาสามารถรักษาโรคใจนี้ให้หายได้เลย แล้วก็จะติดเป็นโรคที่เยอเยะเรือเร้อรังเพราะว่าใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปใจก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปมีโลกใจต่อที่เราเกิดมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเกิดมาทุกครั้งก็ต้องมาทุกมีโรคใจติดตัวมาทุกักนทุกคนแล้วก็จะไม่มีวันหมด จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีความศรัทธาที่จะน้อมเอาวิธีรักษาโลกใจนี้ไปปฏิบัติกันไปรักษากันถ้าตั้งใจจริงๆบางคนนี่เจ็ดวันก็รักษาได้บางคนก็ช้าหน่อยเจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีแต่รักษาได้ขึ้นอยู่ที่ความสามารถ ขึ้นอยู่ที่เวลาที่เขาให้กับการดูแลรักษาถ้ามีความสามารถมากทุ่มเทเวลาให้หมดเลยก็เจ็ดวันก็ได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งนานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งและจะอยู่ได้ไม่นานศาสนาพุทธในพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า จะอยู่ได้ไม่เกิน 5,000 ันปีหลังจากนั้นก็จะไม่มีหมอไม่มีคนที่รู้วิธีรักษามาสั่งสอนมาบอกวิธีก็ถ้าหลังจาก 5,000 ปีไปแล้วก็ต้งองรออีกแสนล้านปีกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาก่อตั้งพระพุทธศาสนามาสอนวิธีรักษาโรคใจให้กับสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายดังนั้น ชาตนี้ถึงถือว่าเป็นชาติที่วิเศษเ ป, uniform, เป็นโชคกราบอันยิ่งใหญ่ที่เราจะสามารถรักษาโรคใจที่เราเป็นเรื่องมาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วให้มันหายไปหมดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีโรคภัยทางจิตใจอีกต่อไปก็ ข, ขอให้เอาไปพิจารณาดูเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทางจิตใจ ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยะาทาวาริวาหาปุราปาุริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจจาตสาพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาธนศีริสะนิจังอุทาปะจายโน จตาโรธรรมวัฏานติอายุวโนสุขังภาละมีหนังสือนะหนังสือนี้ก็เป็นวิธีรักษาโรคใจเอาไปอ่านได้ถ้าอยากจะได้ก็เอาไปอ่านซีดีก็ไปเปิดฟังได้จะได้ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจต่อไป